ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าคนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสังคมหรือผู้อยู่ในฐานะที่ควรเป็นกัญญาณมิตรจะต้องเข้าใจหลักความต้องการนี้แล้วรู้จักส่งเสริมความต้องการฝ่ายชันทะขึ้นไปพร้อมกับรู้จักคุมและขัดเกลาวความต้องการฝ่ายตัญหาอย่างน้อยให้เป็นกระแสรองอยู่เรื่อยไปด้านชันทะที่เป็นทุนก็เช่นว่า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 ที่จะได้เจอตัวชันทะจริงๆที่ท่านเรียกว่ากตตุกรรมยตาฉันทะชันทะคือความอยากทาพอพูดมาถึงตรงนี้ก็คงมองเห็นแนวทางของการที่จะพัฒนาความต้องการที่เป็นสันทะนั้นต่อไปทีนี้เพื่อเทียบกันต่อไปก็หันมาดูความอยากประเภทตัณหาที่เป็นอกุศล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 จะทำอย่างไรมันจึงจะดีจึงจะงามจึงจะสมบูรณ์ถึงตอนนี้ระบบเหตุปัจจัยก็มาเรียกร้องเองคือก็เลยอยากรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องทำอะไรอย่างไรเพื่อให้มันดีงามสมบูรณ์ถึงตรงนี้ก็คือเกิดความอยากรู้หรือความใฝ่ที่จะรู้ตามลำดับนี้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 เราจึงมีความสุขได้ทันทีเช่นที่มีความสุขกับธรรมชาติต่างกับตัณหาซึ่งต้องรอสนองด้วยการได้เสพจึงมีความสุขจุดต่างอย่างสำคัญยิ่งก็คือตลอดกระบวนการของความอยากแบบฉันทานี้มีแต่ความอยากแต่ไม่เกิดตัวผู้อยากหรือตัวตนที่จะทำอะไร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 ความรู้สึกอยากให้ตัวสำคัญตัวแท้ของฉันทะที่อยากโดยไม่ต้องเกิดมีตัวผู้อยากนี้ก็คืออยากทำเพราะฉะนั้นคำว่าฉันทะหรือความอยากที่เป็นกุศลนี้ท่านจึงให้ความหมายว่าได้แก่แกตุ ก, กรรมยตาฉันทะไม่ว่าที่ไหนพอแสดงความหมายหรือจากัดความก็บอกว่าฉันโทติ กตุ ก, กรรมยตาฉันโทชันทะคือความต้องการที่เป็นความอยากจะทำให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์ที่พูดซ้ำบ่อยนี้ก็เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นต้นทางของการที่จะพัฒนามนุษย์เพราะเรามีชันทะอยากให้อะไรอะไรดีงามสมบูรณ์ถ้าเห็นแม้แต่พื้นบ้านพื้นบริเวณวัด ว่ามันสะอาดดีงามเราก็ชื่นชมสบายใจแต่ถ้าเห็นมันสกรปรกยังไม่สะอาดเราก็อยากให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยดีแล้วเราก็อยากจะทำให้มันสะอาดเราก็ไปช่วยไม่กวาดมาแล้วทำงานกวาดไปถ้าเราไม่รู้ว่าจะกวาดอย่างไรเราก็อยากรู้วิธีที่จะกวาดแล้วเราก็ไปหาเรียนวิธีกวาดออกมา เมื่อเรารู้วิธีแล้วเราก็มาทาการกวาดแล้วเราก็พัฒนาความเป็นนักกวาดขึ้นมาก็เชี่ยวชาญชำนาญกวาดได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นพร้อมทั้งมีความสุขไปด้วยตลอดเวลาที่กวาดนี่คือกระบวนการที่เรียกว่าการศึกษาเพราะฉะนั้นฉนันทะนี้จึงเป็นต้นรากของกระบวนการศึกษาหรือการพัฒนามนุษย์